ได้พูดไปแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรอย่างเช่นนิวรณ์โดยหน้าที่ของมันก็เป็นตัวขัดขวางการปฏิบัติอันนี้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็เป็นปัญหาเป็นโทษแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องเป็นรู้จักใช้เช่นใช้เป็นอุปกรณ์ในการ ตามรู้ตามเห็นมันก็ทำให้สติเราเจริญหรือถ้าเรารู้จักใช้ในทางอื่นมันก็เป็นอุปกรณ์ในการเจริญปัญนาได้เหมือนกันคือประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจของเราหรือกระบวนการทำงานภายในใจอย่างที่เราสวนนี่ว่าใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสาเร็จได้ด้วยใจ สุขหรือทุกข์ก็สําเร็จได้ด้วยใจมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกอะไรเกิดขึ้นกับเราตัวนก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเข้ามาก็ทําแต่ว่ามันจะสําเร็จเป็นสุขหรือทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่กระบวนการทํางานในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะบงังคับได้ให้เป็นไปตามความหวังถ้าเกิดเราฝึกใจไว้ดี้กระบวนการทํางานไปในใจมันก็ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะแยกแค่ไหนมันก็กลายเป็นกุศลกลายเป็นบวกกลายเป็นคูณได้แม้แต่ว่าจะเจออะไรที่เป็นการบีบพันชีวิตจิตใจเจอทุกภัยขนาดไหนเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากมันถ้าหาว่าเกี่ยวข้องกับบัญญากาถูกต้องในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีนี่ก็เป็นมนเหสีพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุทเทนมีมเหสีหลายคน คนนึ่งก็คือนางมาคันทิยะซึ่งอิจฉาพนางสั ม, มาวดีซึ่งไปที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนพนางสั ม, มาวดีนี่ก็เป็นคนดีและถ้ามีใจฝ่ายในธรรมอุปธรรมพระพุทธแล้วก็พระเจ้าแล้วก็ประสงค์อย่างดีซึ่งตรงข้ากับพระนางมาคันทิยาซึ่งเปียดชังมีคดีความกันมาก่อนก็เรียกว่าทําให้เกิดความลังเปียดถึงขั้นพยาบาทพนางสั ม, มาวดี พยายามหาทางกันแกล้งหลายครั้งใส่ร้ายหลายครั้งก็ไม่ประสบผลสําเร็จครั้งสุดท้ายก็สามารถที่จะหลอกลวงให้พนาสามเณดีเข้าไปในคลังที่เก็บผ้าแล้วร้อมกับบริษรัทบริวารแล้ขังเอาไว้แล้วก็จุดไฟจุดไฟเพื่อให้ไฟนี้ท่วมคลอกพนางสามเณรดีแล้วก็บริวารจนตายจัญลัที่ไฟคล้อกนั่นเองเนี่ยร่างกายเกิดความเจ็บปวด แต่ว่าพนังสามาวดีก็ได้สติพิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์อันนี้ก็เหมือนกับที่เราได้สวดเมื่อวานในเรื่องสติปัฏฐานหรือสมมาสติคือว่าตามเห็นเวทนาในเวทนาตามพิจารณาเวทนาในเวทนาความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาแทนที่จะเอาความเจ็บปวดมาเป็นของเราจนกระทั่งต้องร่างกายปวดใจปวดไม่ใช่ พิจารณาเวทนาว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งขณะที่ความทุกข์เกิดขึ้นเห็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เราพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์สติที่ตั้งมั่นขณะที่เกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นศัก์แต่ว่ากายที่ปวดไม่ได้มีใจที่ทุกขเวทนาหรือเป็นทุกขทรมารด้วยพิจารณาจนกระทั่งจิต ก, ก็บรรลุธรรมขั้นสูงได้ ดี๋นี้ท่านเป็นโซดาบันอยู่แล้วนี่ยพอทำพิจารณาในภาวะที่หน้าสื่อหน้าขวัญใกล้ตายนี่ปรากฏว่าก็ได้เป็นอนาคตมีก่อนที่จะสิ้นลมแต่ว่าบริษัทบริวันจนํานวนมากตามเรื่องความีถึง500ก็คือแปลว่ามากนส่วนเกือบทั้งหมดเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้ก็เป็นแค่ปุุ้ชนแต่ว่าก็ได้รับคำแนะนําจากพระนางสามาวดีให้พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันก็ปรากฏว่าได้บรรลุธรรมกันเป็นแถวเลยเนะ โซดาบ้างสกิทาบัางนี่แหละ ว, ว่าเจอภัยถึงตายแต่ว่าเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องอย่างฉลาดคือแทนจะตื่นตกใจแทนที่จะตีอกชกหัวกับตั้งสติได้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้เหตุการณ์นั้นใช้เวทนาที่บีบคั้นนั้นให้เป็นประโยชน์ก็บรรลุธรรมได้ น, นี้ถึงบอกว่าเจออะไรก็ไม่สําคัญท้าก่าว่าเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร ถ้านอนดูกันเห็นอะไรก็ไม่สำํำคัญเท่ากับว่าเห็นอย่างไรส่วนใหญ่เรามักไปใส่ใจกับว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่ ง, ง, งที่เราได้ยินนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็ไปควบคุมกับตรงนั้นควบคุมสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราควบคุมเสียงควบคุมรูปควบคุมตาแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสำคัญกว่านั้นก็คือว่าใจเราไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรแม้จะเห็นภาพที่กระตุ้นในทางการมราคะภาพยั่วยวน แต่ว่าถ้ารู้จักมองมันให้เป็นก็เกิดประโยชน์นะไม่ใช่โทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่สําคัญถ้าก็ว่าเห็นอย่างไรนีได้ยินอะไรก็ไม่สำคัญถ้าก็ว่าได้ยินอย่างไรได้ยินคนร้องเพลงคนส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็ไปเคลิ้มไหลหลงแต่ว่าภาษาพวกบางท่านได้ยินเสียงร้องเพลงท่านก็โปรงเลยนะเพราะเห็นโทษของกามอย่างชัดเจนว่ามันดั่วยุให้หลง ให้ขาดสติเวลาใจเห็นโทษของกามเนี่ยมันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเโยนนิพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสิ่งที่เห็นนั่นมันกระตุ่นราคาแต่เมื่อมีสติเกิดโยนิโสมณสิกการคือการทำในใจอย่างฉลาดอย่างแยบยลแทนที่จะเกิดราคามันเกิดวิราคาขึ้นมาแล้วปัญญาก็ตามมา ท, าทันทีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็ ไม่มัวแต่จะไปจัดการกับสิ่งแวดล้อมต้องมัวแต่ไปควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันมายุ่ยยวนสายตาเราไม่ให้มันมายุ่ยยวนหรือยุ่วยุประสาทูของเราอันนั้นเป็นวิธีการของชาวโลกซึ่งก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าสาหรับนักปฏิบัติหรือชาวพุทธแล้วเนี่ยเราต้องหันมาดูใจของเราด้วยพระเจ้าโดยมีสติไม่ว่าเจออะไรก็ตามก็เกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้น การเห็นอะไรไม่สําคัญต่ากับว่าเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเจออะไรก็ตามน่ยนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเป็นมีเรื่องเล่าว่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านรู่หนึ่งก็ตอนเช้าท่านจะไปทําวัดทำวัดที่ก็ต้องคลองผ้าไปด้วยก็คือคลองไตจีวรก็มีสิขาบขอข อ, องผ้าว่าต้องคลองผ้าในยามที่อรุณลุ่งนะต้องมีผ้าสามผืนอยู่กับตัวเมือเพินปวดท้องก็เลยต้องเข้า ไปถ่ายทุก70ปีก่อนได้ส้วมมันก็ต้องเป็นส้วมหลุมมาไม่เป็นส้วมแบบที่เรารู้จักกันเวลานี้เป็นส้วมหลุมก็คือว่าขุดหลุมลึกๆแล้วก็มีไม้พาดอยู่นะสแผ่นแล้วก็นั่งถ่ายอยู่บนไม้นั่นแหละจะลามก็ลงไปสะสมอยู่ในหลุมนั้นนะก็เลยวันนอนขึ้นโยเยไปเลยบรากว่าระหว่างที่ท่านาถ่ายนั้นเนี่ยไหนทำความสะอาดเนี่ยก็ไป พลาดสังคาติตกลงไปในหลุมสุวมท่นก็จำต้องลงไปเอาเพราะว่าสังขาตินี่ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พระป่าเวลานั้นเนี่ยไตรจีวรหายยากมากไม่เหมือนสมัยนี้ไกลแค่ไหนก็มีไตรจีวรเยอะไปหมดแต่ว่าสมัยก่อนหายยากท่านก็จำต้องลงไปเอาจำต้องลงไปในหลุมสุ่มนั้นก็เหม็นมากเลยนะแล้วก็ขยะขแยงด้วยตอนที่ลงไปเนี่ย ลงไปเอาสังาติต้องลงไปเลยว่าครึ่งตัวหรือค่อนตัวเลยเพื่อไปเอาสังขติปรากฏว่านอนเนี่มันก็ตายขึ้นมาตามร่างกายเห็นชัดๆเลยเกิดความขยะกขยแยงสุดๆเลยแต่ในชั่วขณะนั้นเองจิตเกิดมีสติมันก็พลิกออกมาพลิกเลยเห็นว่าไอ้ที่นอนไตาเนี่ยนะมันไม่ได้ไต่เรามันไต่รูปมันต่นตากายมันไม่ใ้ไต่ตัวเรา เดิมเนี่ยนะตอนใหม่ๆคิดว่าน้อยมันไต่ตัวเราก็เลยเกิดความขยัขยแยงแต่พอมีสติเห็นแล้วโอ้มันไต่คนที่เป็นรูปนะมันไม่ใช่ไต่เราแล้วขณะนั้นเองก็เห็นเลยว่าไอ้ความขยะกขยแยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมันไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่เราขยะกขยแยงจิตที่พลิกเห็นมาอย่างฉับพลันทันทีเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญญาทําให้ท่านบรรลุธรรมทันทีท่านเข้าใจเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเอง คนธรรมดานี่ยถ้าหากว่าจังคับติดตกลงไปในหลุมสุวมนี้ก่ก็ถือว่าสวยหรือว่าสวยวันนั้นก็ต้องคงต้องไปล้างสวยนะเพราะว่าต้องไปคลุกอยู่ในหลุมขี้แต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นดีไปได้ไม่ใช่เพราะอะไรแต่เพราะว่าใจที่มีสตินั่นเองมันก็บ่มเพอยเกิดปัญญาขึ้นมาอะไรจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไปยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาทําร้ายตัวเองปรุงแต่งไปว่าโอ้ยลําบาก พิษะขยั่งหน้ารังเกียจมันก็เป็นซวยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใจเรามีสติมีปัญญารู้จักพิจารณามันก็กลายเป็นดีไปได้เจออะไรก็ไม่สำคัญเท่าว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร น, น, นี่สําคัญมากเพราะนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆสิ่งที่มันเป็นกุศลสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็กลายเป็นโทษได้ เห็นอะไรเช่นมีศีลรักษาศีลหรือว่าได้รับคำชมได้รับความชมนี่ใครก็ชอบแต่ว่าพอไปเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็เกิดความเพลิดเพลิพนหลงไหลกลายเป็นประมาทขึ้นมาประมาทแล้วก็เกิดมีมานะขึ้นถ้าใครไม่ชมก็โมโ ห, โหเกิดความโกรธอันนี้ก็ของดีก็กลายเป็นโทษได้ก็เพราะว่าความประมาทความเพลิดเพลินใน อิทธารมให้เราก็ต้องตั้งสติเวลาเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆให้ได้อย่าไปกลัวว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าไปตื่นตระหนกว่าเราเห็นอะไรแต่ให้เรามาดูใจของเราว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรซึ่งก็ดีไม่พน้นการมีสตินอกจากเจออะไรเห็นอะไรแล้วมีอะไรก็เช่นกันนะมันไม่สำคัญต่ากาว่าเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร บางคนมีร่างกายพิการแต่ว่าความพิการนั้นใช้ให้เป็นก็เป็นคุณอย่างอาจารย์กำพลท่านพิการมายีสกว่าปีในช่ว ง, งแรกๆก็มีความทุกข์มากแต่ว่าให้ความพิการนั้นก็เป็นของดีตรงที่ว่าทําให้ได้หันมาสนใจธรรมะเริ่มจากการอ่านหนังสือแล้วก็มาสู่การปฏิบัติไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ได้แต่พลิกมือไปมานั่นแหละพลิกมือไปมาก็ได้ เจริญสติจนสติแก่กล้าก็ได้เห็นว่าไอ้ที่พิการนั่นแหะพิการแต่กาย แ, แต่ใจไม่ได้พิการด้วยการได้เจริญสติแล้วก็เห็นเห็นกายและใจแทนที่จะเห็นว่าเป็นเราก็แยกทะลุออกมาเป็นรูปและนามกายและใจไม่มีอะไรที่ยึดมาเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ทําให้เห็นเลยว่าไอ้ที่พิการนี่นคือกายมันไม่ใช่ใจใจไม่ได้พิการพอรู้เชนนี้ก็ตัากนกว่าจิตเราจากความพิการเลยต่อไปก็มีแต่ทุกขเวทนาส่วนกายแต่ว่า ความทุกข์ทรมานทางจิตมันลดน้อยถอยลงไปเยอะเพราะว่าเห็นชัดด้วยปัญญานี่คนที่ไม่พิ ก, การนี่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่ในสภาพเช่นนี้ได้คนเวลาปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ใช้ร่างกายใช้เวลาใช้พลังงานไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ซีเยอะแต่พอพิ ก, การนี่ไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยมงนง่านั่นก็คือว่าไอ้การที่จะใช้เวลาและพลังงานไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็น้อยลง โอกาสที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมะในทางชีวิตจิตใจก็มีมากขึ้นบางคนก็พิการตั้งแต่เล็กเกิดมาก็พิการเลยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามขึ้นมาได้ทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมะบางคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการวาดภาพบางคนก็มีชื่อเสียงด้านการร้องเพลงเขาก็มีความสุขได้ คนที่ร่างกายปกติมีอาการคบสายไสองียอีกได้มาดีแต่ว่ากลับเป็นทุกข์เพราะเกี่ยวข้องกับมาไม่เป็นใช้ร่างกายไม่เป็นใช้ความปกติหรือสุขภาพเน้นไม่เป็นประโยชน์บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองก็เหมือนก็เป็นคนมีบุญเกิดมาบนกองเงินกองทองทุกอย่างรับดืนสะดวกไปหมดอยากจะได้และก็ได้เงที่ปรารถนาแต่ชีวิตนี้ก็มีไต่ตกต่ำตกต่ำเพราะว่ามันเพลินมันหลงไหล ในความสบายทำอะไรไม่เป็นช่วยตัวเองไม่ได้เพราะทุกอย่างมีคนจัดห า, ามาให้หมดไม่เคยเพบกับความยากลำบากเลยลเพอเจอความผิดหวังอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น อ, อกหักก็แทบเป็นบ้าเป็นหลังทําอะไรไม่เป็นพอเงินทองหมดหรือว่าถึงไม่หมดเองก็มีคนมาช่วยพลาญให้หมดเพราะว่าคบเพื่อไม่ถูกคบ เ, เพื่อไม่เป็นเพราะคบแต่คนที่มาประจบประแจง ไม่มีปัญญาเลือกสรรเลือกควบเพื่อนนั่นชื่อก็ตกต่ําลงไปอันนี้เรียกว่าถึงแม้จะมีมีดีมีโชคแต่เกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นชีวิตก็ตกต่ําบางคนที่อาจจะเกิดมาไม่มีอะไรเลยในชีวิตย <Okay. S 1> นะากจนลําบากยากแค้นเรียกว่ามีแต่ความยากลาบากแต่ก็ใช้ประโยชน์จากความยากลําบากนั้นเกี่ยวข้องกับความยากลำบากให้เป็นก็คือว่าเอามาเป็นเครื่องฝึกให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดปัญญาเกิดความสามารถทำอะไรต้องพึ่งตัวเองต้องเรียนรู้ต้องอนน้อมถ่อมตนก็ทำให้เกิดปัญญาสามารถที่จะพัฒนาตนขึ้นมาได้เราเจอเยอะนะเลยว่าติดลบนะแต่ว่าสามารถพัฒนาตนได้อะไรมีเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สงคัญเท่ากับว่าเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรบางคนจะบอกว่าที่พิการเอ่ยที่ยากจนเอ่ยนี่มันเป็นเรื่องของวิบากกรรม คนที่รวยคนที่มีสุขภาพดีคนที่เกิดมานี่มีความอัจฉริยะนะมีสติปัญญาเปล่องปราดนะพวกนี้เรียกว่ากรรมเก่าทำไว้ดีนะก็เลยทำให้ได้มีสิ่งที่คนถือว่าเป็นโชคเป็นกุศลอันนี้มัน ก, ก็อาจจะจริงอยู่นะแต่ว่าในทางพุทธศาสนาก็ถือว่ามันไม่สาคัญเท่ากับว่ากรรมในปัจจุบันก็คือเราจะใช้มันอย่างไร มีอะไรมีเท่าไหร่นี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมในอดีตรกรรมในอดีตทำไว้ดีก็เลยมีเยอะนะมีดีมีความฉลาดแต่ว่าทั้งหมดนี้จะมีความสำคัญน้อยกว่ากรรมในปัจจุบันคือการรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเอามาสมทบเพื่อให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างที่เคยเล่าเนี่ยไอนสไตน์เาบอกว่าเามีความเฉลยอของเขาเนี่ยอัจฉริยะมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ 1% เก้สิกาปร์เซ็นตเกิดจากความเพียรอจฉริยะนี่ก็อาจจะเกิดมาแต่กําเนิดอาจจะมีมาแต่กําเนิดก็ได้ซึ่งเราก็อาจจะยกว่าให้เป็นเรื่องของกรรมในอดีตไปก็ทําให้เกิดมาก็มีความฉลาดแต่ความฉลาดนั้นมันจะไม่เกิดผลชนิดที่เรียกว่าโลกตะลึงได้ถ้าเกิดขาดความเพียนให้ความเพียนนั่นคือกรรมในปัจจุบันนั่นเองเราจะบอกว่าที่พิการมาที่เป็นเพราะกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยทําให้ต้องพิการ อันนั้นก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเมื่อพิการแล้วเราใช้มันอย่างไรเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรใน ต, ตรงนี้แหละคือเรื่องของกรรมในปัจจุบันอะโมเดติอกชกหัวเอาแต่เขาแท้เส้นหวังมันก็ตกต่าลงไปเรื่อยแต่ว่าใช้ความพิการให้เป็นประโยชน์ใช้ความพิการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นข้อเด่นข้อดีของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนทําให้พิการเนี่ยมันมีสิ่งจูงใจให้ลุ่มหลงเยอะเพราะมีทางเลือกเยอะ คนรวยก็มีทางเลือกเยอะเพราะนั้นการที่จะเข้ามาสู่วิถีแห่งธรรมมันยากแต่คนพิการเนี่ยทางเลือกน้อยโอกาสที่จะเข้าสู่วิถีแห่งธรรมมันก็มีมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มีอยู่เป็นเรื่องของํำโดยตรงเพราะนั้นเราเราไม่กลัวถ้าเราเข้าใจเิ ง, งได้เราจะไม่กลัวว่ามันจะมีวิบากอะไรบ้างหรือว่าในชีวิตเรานี้เราจะเจออะไรบ้าง คนส่วนใหญ่นี่ได้เฝ้าแต่ภาวนาอธิษฐานขอให้ชีวิตนี้ประสบแต่ความมั่งมีเสียสุขอย่ามีโรคอย่ามีภยัยขอให้เจริญด้วยอายุวันณัสุขาพันละคนส่วนใหญ่ก็คิดเท่านี้ก็คือว่าขอให้เจอสิ่งดีๆขอให้มีสิ่งดีๆแต่ไม่ค่อยสนใจว่าแล้วเราจะเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรทำไงเราถึงจะมีคุณภาพจิตเพื่อที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างอย่างฉลาด ถ้าคนที่เขาเป็นผู้ชนะเนี่ยเขาไม่หวั่นเกรงนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพราะเขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรมีอะไรมีเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าจะใช้มันอย่างไรทุกวันนี้เรากลายเป็นเบี้ยล่างของสิ่งแวดล้อมถ้าคนชมนี่ยมีความสุขหรือว่าถ้ามีสุขภาพดีถึงจะมีความสุขแต่ว่าเราไม่สนใจที่จะ ฝึกความสามารถภายในหรือฝึกคุณภาพจิตเพื่อให้สามารถที่จะใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดไปจนถึงการบรรลุ ธ, ธรรมหลุดพ้นจากวัฏสงสารนอกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใช้ได้หมดบางท่านนี่ป่วยบางท่านนี่เรียกว่าแกงง่อมไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยไม้เท้าเดินก็โวยนั่งก็โวยแต่ว่า ไอสภาว่าอย่างนี้แหละนะที่เป็นอุปกรณ์ในการบรรลุธรรมได้เดินไปเดินมาเกิดสะดุดกระแทกพื้นปวดมากขณที่ปวดนั่นเอยก็เห็นมีสติเห็นเลยว่าสังขานีมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งในรณะที่ปวดนั้นเนี่ยใจไม่ได้ปวดโดยแต่เห็นความปวดเกิดขึ้นกับกายและเห็นโทษนะของสังขารว่ามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่นายึดถือเลย พอเห็นอย่างนี้เข้าจิตก็หลุดพ้นได้เดิมนาของปัญญาในสยายพิจารณาจะมีเรื่องเล่าเยอะของคนที่เจอเหตุร้ายต่างๆมากมายแต่ว่าแทนที่จะทุกข์กลับบรรลุธรรมได้จากเหตุต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะไม่หวั่นกลัววันที่ตกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเพราะว่าได้เตรียมตัว ที่จะใช้เหตุการณ์ต่างๆนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เตรียมตัวด้วยการฝึกใจอย่างพระนางสามเมาวดีเนี่ยนะก็มีคนทูลถามพระเจ้าว่าทําไมคนดีๆอย่างนางเนี่ยถึงต้องมาตายอย่างน่าสลดสังเวชแบบนี้ถูกไฟคลอกตายศพไม่สวยเลยหงิกงอพระเจ้าก็อธิบายว่าเป็นเพราะว่านางเคยทําไม่ดีในชาติก่อนๆกับพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า เคยทำไมพระประัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยถึงตายเพราะถูกไฟคลอกเพราะความเผลอเลอของนางแล้วก็คือไปจุดไฟคือพระประัจเจกพุทธเจ้าท่านกำลังบําเพ็ญภาวนาอยู่ในใกล้กองฟางนางสาวนี้ก็ไปจุดไฟทําให้เพื่อท่านกำลังนั่งสมาธินั่งฌานอยู่นะก็ถูกไฟคลอกครนนี้เห็นแล้วนะสาวสดทีในชาติก่อนก่อนก็ต้องการที่จะปกปิดหลักฐานก็เลยเผาอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งไม่เหลือ ไม่เหลือาัากกรรมนั้นก็ทําให้นางสาวดีต้องมาถูกไฟคล อ, อกตาย น, นี่เรียกว่าเป็นการชดใช้กรรมแต่ว่านางสาวดีก็สามารถจะใช้กรรมนั้นให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันก็คือว่าใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุธรรมได้ถูกไฟคล อ, อกเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะเป็นทุกข์แต่ว่าสามารถจะใช้โอกาสนั้นให้เป็นเครื่องมือในการบรรลุธรรมั้าคนเราเนี่ยมักจะ เป็นฝ่ายถูกกระทําจากวิบากคนเรามักจะยอมให้ตัวเองนี่เป็นฝ่ายถูกกระทําจากวิบากวิบากมาทําอะไรกับเราก็ทุกข์กับมันแต่ไม่เรียนรู้ที่จะใช้วิบากนั้นให้เป็นประโยชน์ใช้กรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าชดใช้วิบากกรรมในดีเท่านั้นหรือว่าชดใช้กรรมที่ทําในดีเท่านั้นใช้กรรมยังมีความหมายตรงตัวหรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเราใช้ของเหมือนกับเราใช้รถใช้ถนน คือการใช้ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ใช้กรรมนี่มันแปลว่าชดใช้กรรมที่เคยทําไว้มันก็เป็นการจ่ายหนี้แต่ที่จริงแล้วใช้กรรมยังมีความหมายที่สําคัญกว่านั้นคือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้เพะพวเราที่ต้องรู้จักใช้กรรมให้เป็นประโยชน์นะไม่ใช่เอาแต่เป็นฝ่ายใช้กรรมหรือว่าให้กรรมมันมาใช้เราอย่างเดียวอย่าให้วิบากกรรมมาใช้เราอย่างเดียวเราต้องใช้กรรมให้เป็นประโยชน์ด้วย ในการทําให้ทุกน้อยลงจะป่วยมันจะลําบากยากจนล้มละลายหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปยอมแพ้ต้องตั้งสติแล้วมองว่ามันมีประโยชน์ยังไงแกเราเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรมันมีประโยชน์ได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองรู้จักพิจารณาแต่อย่างแรกจะต้องมีก็คือต้องมีสติตั้งสติให้ได้เพราะถา สรางสติให้ได้จิตมันก็ถลําเข้าไปในความทุกข์ในความเศร้าในความโกรธแล้วมันก็ไม่เกิดปัญญาได้แต่ลงโทษตัวเองได้แต่กลดา่าชะตากรรมเสร็จแล้วก็ไปมัวแต่ทำบุญเพื่อสะดอกเคราะห์โดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าที่จริงแล้วถ้าเราเกี่ยวข้องกับวันในธรรมนนี้มันก็มีคุณประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักว่าอะไรก็ตามนะไม่สาคัญทัว่าอย่างไร เจออะไรมีอะไรได้อะไรมา <elders> ก็ไม่สำคัญว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรตรงนี้แหละอยู่ที่ความสามารถของเราเองอยู่ที่สติปัญญาของเราเองว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรตัวมีอะไรเจออะไรนี้อาจจะเกี่ยวข้อง ก, กับคนอื่นเข้ามาประเคนให้เข้ามาทําให้เราหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตชาติซึ่งเราไม่รู้ก็ได้วมันคืออะไรทําให้เราต้องเจอทำอะไรต้องมีแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเชื่อในกรรม เราก็จะหาทางจัดการกับมันได้เพราะเรารู้ว่าการเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องนี่แหละคือตัวที่จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้